อาคณะัทธายาตโยมนั่งประจาที่นั่นที่นี่นะหนาวอดเราสักหน่อยวะถ้าใครหนาวไปนั่งฝีงแดดก็ได้เนาะนะได้ยินเหมือนกันนั่นแหละพอเสียงหลวงพ่อดังโอ้วันนี้เป็นวันสำคัญหลายหลายอย่างนะคณะนัทธายาติโยมลูกหลาน เป็นวันพระด้วยวันนี้วันเดือนดับเป็นวันตุดจีนของพี่น้องประชาชนชาวแผ่นดินใหญ่แล้วก็แผ่นดินไทยของเราที่เป็นเชื้อชาเชื้อสายแล้วก็วันนี้พวกเราจะขึ้นไปถวายพระประธานในเจ้าภาพที่มานะี่ แต่ใครจะขึ้นไปด้วยจะไปทัศนะศึกษาก็ได้ไม่เป็นไรพอศาลาหลังนั้นก็ใหญ่อยู่บรรจุขนได้มากอยู่ใครจะไปก็ได้วัดปานลุบเลาที่หลวงพ่อไปสร้างเอาไว้ไปขอจักป่าไม้เอาไว้แล้วก็วันนี้เป็นวันอุโบสถของพระด้วยตามปกติหลวงพ่อจะให้พระหลงอุโบสถ เวลาเที่ยงวันนี้นะแต่วันนี้หลวงพ่อก็ น, นัดเวลาบอกว่าให้ทํากิ จ, จวัดข้อวัดเสร็จประมาณสักบ่ายสามสี่โมงเนาพระสงฆ์เนาะรีบทําวันนี้จะให้ปกติไม่ได้บ่ายสองก็เริ่มเริ่ ม, มปัดกวาดอรีบทำแต่วันสักหน่อยเมื่อชั้นน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปัดกวาดแล้วก็วันพรุ่งนี้ อมาฉันที่นี่อีกอย่างเก่านะลูกหลานนะเป็นวันจันทร์ก็จริงแต่ว่าจะมีคณะมาจากโซ่พิสัยและอะไรเนี่ยประมาณสามรอยกคนแล้วออกมาฉันที่นี่ซะเพื่อไม่ได้ให้จะเอาไปข้างในก่อนมันหาที่จอดรถไม่ได้กคงมาฉันที่นี่แหละแต่พี่น้องประชาชนคงจะมาพบกันที่นี่แต่ไม่แต่เขาจะไม่มาจังหันนะทันประมาณสักสิบโมง มาที่นี่หลวงพ่อก็คงจะมีการแสดงธรรมอะไรให้ฟังจากเล็กน้อยก็คงจะขึ้นไปกราบพระภูก้อนต่อวันวันพวงนี้ก็มาฉันที่นี่แหละและก็ให้พระอุโบสถรีบปัดกวาดตะวันวันสักน้อยพอตอนเย็นก็คงจะได้ลงไหวพระสวดมนต์อย่างที่พวกเราเคยปฏิบัติมาแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญ เป็นวันพระด้วยเป็นวันตุกจีนด้วยพวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนามาสู่วัดก็ควรจะมีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลห้าบ้างนะสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยควรจะประกอบคุณงามความดีมาสู่วัดวาศาสนาเพราะว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันไหว้เจ้า แล้วก็เป็นวันพระใหญ่อีกต่างหากแล้วก็เป็นวันที่พวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีพุทธศาสนิกชนพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะซ้ำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยวันเป็นวันพระคือรักษาสิ่งห้ารักษาสินห้ า, า, หาคือรักษากายใจของรักษากายวาจาของพวกเรานั่นแหละคือไม่ให้ออกไปในทาง นอกรูนอกทางให้อยู่ในกรอบคนดีอยากให้เป็นกรอบของคนดีของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนดีของพุทธศาสนาคืออะไรก็ ค, คือผู้มีศีลห้าถ้าหาว่าผู้ไม่มีศีลห้านะไม่ใช่คนดีนะพุทธศาสนายอมรับไม่ได้ไม่ยอมรับคนที่ไม่มีศีลห้าแต่มีศีลห้าพระพุทธเจ้ยายอมรับ ว่านี่คือเป็นคนดีไม่ติดคุกไม่ติดตารางไม่ก่อเรื่องก่อราวในชุมชนสังคมอีกต่างหากเพราะเป็นคนดีถ้าหาว่าคนที่ไม่มีศีลห้านะไม่น่าไว้ใจไม่คิดว่าจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยของใครก็ได้จะระลราบละลวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เนี่ยไปกินเหล้าเมาแล้วออัลวัดชกต่อยตีไปฆ่าใครก็ได้ พวัะนั้นไม่ไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนาไม่เป็นที่ยอมรับของพระธรรมคําสอนของพุทธะคนที่ไม่มีศีลห้าวัะนั้นพวกเรารู้คุณค่าว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าประกาศว่าเป็นคนดีเราอยากจะเป็นคนดีไหมเมื่อเราอยากจะเป็นคนดีเราก็ควรจะสมาทานตามศีลธรรมคําสอนของพุทธะ ที่บวรำบ่ำโบราณท่านถือกันมาตั้งนมนานนะมาถึงพวกเราพวกเราก็ควรจะเชิดชูบูชาพระสิญหห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงให้เรานึกกนึกดูกกันแล้วกันในเมื่อเราไปฆ่าเขาเหรอใช่แล้วก็ชัใจพอเราไปฆ่าเขาเนในเมื่อเขามาฆ่าเราละ่ ะ, เ, ะเรามีความรู้สึกยังไงมาฆ่าพ่อพี่ฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเรา วงศาขณาญาติของเราเราเสียใจใช่ไหมใช่เสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาเสียใจใช่ไหมใช่เขาก็ต้องเสียใจนะนี่แหละสินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเราเขาเรานะในเมื่อไปขโมย<ว>ของเขานะเป็นยังไงเขาเสียใจไหมในเมื่อเขามาขโมยของเราละ่ะขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศาขณาญาติของเราไปเรียกฆ่าไทยล่ะเราเสียใจไหมเสียใจแะในเมื่อเราเอ่า ไปลาลาปลาร้วงในสามีภรรยาลูกหลานของเขาล่ะเขาเสียใจไหมเสียใจในเมื่อเราเขามาทําให้กับเราล่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจในเมื่อเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาเสียใจไหมเขาเสียใจในเมื่อเขามาต้มตุนหลอกลวงโกหกเราเขียนเช็คแดงให้กับเราจอมตะกัวให้เป็นทองแล้วมาหลอกเราเอาก้อนหินมาบอกว่าเป็นเหล็กไหลมาขายให้กับเรา ต้มตุนหลอกลวงมีมากมายถ้าเราได้ของหลอกอย่างนั้นนะเราดีใจมเสียใจขนาดเขา เ, เขียนเช็คแด้งเขาไม่มีเงินเราก็ยังเสียใจแล้วนะ เ, เพราะนั้นการต้มตุนหลอกลวงกันไม่เป็นผลดีอย่างที่พุทธะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดกล่าวไว้จรงิงแล้วก็สินข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชฌะพมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วนะขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วในทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้ได้จะน่าราบระโวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติคนเป็นบ้านะในเมื่อคนเป็นบ้านแล้วน่ากลัวนะถ้ายิ่งเขามีสตราอาวุธในมือเสี ด, ด้วยล่ะเรายิ่งกลัวฮนะเพราะเขาไม่รู้จะออกมาไม้ไหนเพราะคนขาดสติ นี่แหละคนขาดสติไม่เป็นผลดีในหลักของพุทธศาสนาถึงจะเป็นขาดสติชั่วค้งชั่วเข่าเบอร์เบอร์ไปสักหน่อยแล้วเราก็ยังน่ากลัวเพราะอะไรพราคนขาดสติขาดการจับจังเพราะนั้นพวกเรารู้ตัวของเรารู้ว่าการขาดสติไม่เป็นผลดีแล้วจะไปดื่มทำหม่เพราะนั้นให้พวกเราให้มีสนท่าในวันนี้นะเอาต่อนนื่อไปอผู้หมวดติด นำสมาทานสิ่ดไหวพระอัน น, น่าไปทางพระประธานนะคณะสถาญาติโยมลูกหลานนะอีมินาสกาเลนาลังบุตังอภิปุชยามาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทาเยสาทุ เอาฟังในเสน่ห์นะหลงพ่อจะมีอะไรพูดให้ฟังเล็กน้อยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศกราชสองันห้า้อยห้าสิบเเป็นวันตุตจีนเป็นวันไหววันนี้แล้วก็เป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนสองเดือนสองดับแล้วก็เป็นวันที่พวกเราจะได้ อยคณะเจ้าภาพมาจากกรุงเทพที่สร้างพระไว้ที่ลุบเราพวกเราจะได้เจ้าภาพได้ถวายแต่พวกเราจรัทธาญาติโยมจะไปทัศนศึกษาก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะศาลา ก, กว้างอยู่จะไปศึกไปดูศึกษาพอกลับมาแล้วก็ขึ้นมากราบพระภูก้อนอกีก วันนี้ก็คิดว่าในเมื่อเจ้าภาพไปถวายพระแล้วก็ควรคงจะให้ผู้หมวดเด็ดนำพวกคณะขึ้นไปกราบพระผู้ก้อนซะก่อนมาใกล้แล้วโอ้สวยงามนะเป็นพระที่สวยงามองค์หนึ่งเป็นพระนอนเป็นพระหินหินไว้แคลล่าประเทศอิตาลีเป็นหินขาวแต่เขาแกะได้สวยงาม แกะหินจากนั้นก็ค่อย <c oughs> พาเจ้าภาพลงมาวัดหลวงพอ่อเข้าไปดูข้างในอีกเนี่ยเพราะว่านี่คุณพูนศรีน้องของคุณหมอเพนศรีเนี่ยที่มาร่วมสร้างศาลาหลังข้างในเนี่ยสมัยบันไดอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่พวกเราขึ้นมันชันต้องมาทบกันอีกมาดัดแปลงกันได้หลายอย่างห้องพระนะ่ะ แถวทั้งหมดส า, หารสาหลวงซาลาทั้งพื้นกระเบืองทั้งกระเบืองมุงหลังคาะตระกูลนี่แหละตระกูลของคุณหมอลูกหลานศรัทธายาดโยมลูกหลานเนี่ยตระกูลคุณปู่คุณย่าเนี่ยเป็นทุนทรัพย์ที่มาสร้างศาลาหลังนี้นะก็ <c oughs> มีห ล, หลายอย่างอีกต่างหากแต่คนตาหลวงพ่อบรรยายไปเนีคงจะอไม่ได้ฉัน่างหันวันนี้ มีอะไรบ้างมากมายมีคุณอุปการต่อวัดป่านาคำน้อยของพวกเราที่พวกเราได้รับความสะดวกสบายนี่กันแหละทุนทรัพย์ของตระกูลนี่แหละตระกูลมัการานนลเนี่ยที่ได้มาช่วยวัดของพวกเราแต่วันนี้ท่านหลานน้อยของท่านไม่สบายก็เลยมาสร้างพระพระที่แกะนี่ก็เป็นมาช่างมาจากจังหวัดเชียงรายก็โอเหมือนองค์นี้แหละ แต่องค์นี้มันสองเม็ดกว่าแต่องค์นั้นเม็ดห้าสิบนะก็ใหญ่ใหญ่พอสมควรสวยงามเหมือนองค์นี้ละ่ะเป็นหินแกรนิตนินสเปนหินนี่นะเป็นพระหินนะองค์นี้เป็นพระหินนินสเปนออกมาจากประเทศสเปนหินก็มาแกะแต่ราคาก็แพงอยู่นะองค์องค์งนี้องค์นี้นะทั้งพระสาวกด้วยทั้งพระ ประธานเลสามล้านแปดแสนห้าองค์นี่แต่องค์นั้นล้านห้าเพระองค์เล็กกว่าแต่องค์พระแต่พระสาวกมีผู้ถวายอกีกองค์ละห้าแสนพระสาวกสององค์ะเจ้าภาพจะได้เข้าขึ้นไปถวายแต่เมื่อวานในหลวงพ่อก็พูดบอกว่าเนี่ยสร้างพระทองเป็นพระทองเหลืองก็ดีอยู่แต่ว่าต่อไปภายภาคหน้า อย่างเมือนประเทศเราประเทศเราสมัยฝรั่งเศสเข้ามายึดประเทศเรานะเขาก็ขนเนี่ยขนพระทองพระอะไรผลใ น, นสุดไม่ทู้จะทำอะไรไปยุบไปทําเป็นปอกกระสุนปืนบ้างอะไรบ้างอาแต่ถ้าว่าเป็นเห็นเนี่ยหลวงพ่อว่าไม่รู้จะเอาไปอะไรอย่างที่ประเทศอินเดียอย่างพวกเราไปเห็นอย่างโกรธโมโหโกธาอย่างมากกวนะ่าเอาก้อนหินมาทุบ มาทุบผ่าหัตพระพุทธรูปบงังประทุบจมูกบงังประทุบหูบงังอประทุบที่มันแตกง่ายเพราะความสั่งฉากร้ายขนาก็มีอยู่ที่พวกเราไปเห็นนะแต่ในพระพุทธรูปแต่ถึงยังไงก็ยังมีอยู่เป็นพระพุทธรูปหินอพวกเราได้กราบได้ว่าหลวงพ่อว่าหินเนี่ยดีแข็งอีกต่างหาก จะอยู่นานเท่านานเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยของเราอีกนานเท่านานเนี่ยอันนี้ก็คือพุทธปฏิมาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่พวกเรามากราบพระบางคนก็ถือโ ง, โ, งโง่โงเซ่อเซ่อซื่อซื อ, ซอเอ้ยไปกราบทำไมกราบหินกราบทองแต่ตามไม่จริงเราไม่ได้กราบหินนะ ชัใช้ญาติโยมโลูกหลานอย่างเมื่อวานลุงพ่ออธิบายให้ฟังแล้วล่ะเราไม่ได้กาบหินเรากาพระคุณของพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นหินก็คืออันนี้จําลองจําลองเป็นพุทธะในเมื่อเรากลับหินก่อนนี้แล้วก็เราระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านสอนให้เป็นให้คนเป็นคนดี การอยู่ด้วยกันควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีเรารู้ไหมคิดดีนั่นคือคิดยังไงอถ้าได้ศึกษาในรัฐในหลักธรรมคาสอนของพุทธะแล้วคิดดีนั่นคือคิดอย่าโลภอยากได้ของเขาอย่าโลภอยากจะได้ของเขาใครก็เป็นของเขาในโลภโลภอยากได้แต่วางแผนพอวางแผนกะ็คิดฆ่าเขาเบียดเบียนเขาลังแกลเขา ภคมีความโลภในใจเนี่ยแหละโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปลองปลองร้ายเขาแต่เขาเห็นเขาได้ดีเหนือกว่าเนี่ยแเบบียดเแบบียนเขาเนี่ยแบบปลองร้ายเขาแล้วก็เห็นผิดอยากทํานองครองทำอันนี้คือความคิดความคิดคิดผิดคิดที่ไม่ดีเ่ยแล้วก็การทําไม่ดีคืออะไรคิดฆ่าคนอื่นคิดขโมยคนอื่น คิดลาระลวงในสามีภรรยาคนอื่นกินเหล้าอันนี้ก็คือการกระทาไม่ดีการพูดไม่ดีคืออะไรพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเยอเอพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้พูดยุยงให้สังคมเข้าใจผิดทะเลาะวิวาทกันอันนี้คือพูดไม่ดีวาจาที่ไม่ดีอันนี้แหละว่าคิดดีนั่นคืออะไร ทำดีนั่นคืออะไรพูดดีนั่นคืออะไรถ้าพวกเรารู้จักวิธีการคิดการพูดการทําแล้วการอยู่ด้วยกันมากมายเห็นอกเห็นใจกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดทําพูดในสิ่งที่ดีนี่แหละการอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือทำคําสอนของพุทธะเพราะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้กับพี่น้องประชาชนพุทธศาสานิกชน ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะคิดดีทดําดีพูดดีอย่างที่พระพุทธองค์แนะนําบอกกล่าวเราผลนั้นพวกเราไหว้พระเนะีไม่ใช่ว่าเราจะไหว้ก้อนหินเล็กหินปูนสายไม่ใช่ไหว้ทองเหลืองไม่ใช่ไหว้ประคุณของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นให้พวกเราให้เข้าใจฮะ ให้เข้าใจว่าการไหว้พระอย่างพระอุปคุศหลวงพ่อเคยยกพระอุปคุศอยู่ใต้ดินใต้น้ำใต้ทะเลท่านมีอิทธิฤทธิ์เทนี้นพญามารก็มารบกวนคู่คนเวลาจะทำบุญทำทานเขาก็เชอเชิญขอใหมนพระอุปคุศมาให้ปราบพญามารพญามารก็มารังควานเขาจริงๆพระอุปคุศก็เลยแขวนหนังหมาเน่าใส่ พอพยามาลตามตำราตนว่าอย่างนั้นนะแต่ทีนี้พอแขวนเข้าไปกับพยามาลแก้ไม่ออกรเพราะอิทธิฤทธิ์ของพระอุปคุตเหนือกว่าใช่จังนั้นก็วิ่งไปหาเท ว, วดาให้เท ว, วดาแก่ให้เท ว, วดาไม่ได้เหรอต้องไปหาเจ้าของภูเขามัดขึ้นไปถึงผมไปใครที่ไหนคอยก็วิ่งหนีเพราะเหม็นเหนมเห็นหนังหมาเน่าใช่ไหอผลที่สุดไม่ปีที่ไปก็มาหาพระอุปคุตมาสารภาพยอมจะไม่รบกวน คนอื่นพระอุปคตอ้าวสารภาพอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อพญามารยอมรับแล้วก็นี่พระอุปคุตก็แกะหนังหมาเน่าออกจากขอพญามารจากนั้นพระอุปคตก็บอกว่าเอ้ยพญามารสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยได้ยินว่ามารพญามารเนี่ยมานลังแกลังควานพระพุทธเจ้า ใช่ัหมนางตันหาราคาอรดีพญามารมาชิงมาชิงแย่งชิงบัลลังก์พระพุทธเจา้าสมัยนั้นน่ะแต่เราเกิดมาทีหลังเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นพระพุท ธ, ธจเจ้าเธอจะจําแรงให้ดูให้เห็นให้เห็นได้ไหมพญามารบอกว่าได้เพราะเคยเห็นพระพุทธเจา้ามีรูปรักษณะอย่างไรอากับกิริยายอย่างไรแต่นี้ เอาฉะนั้นก็ค่อยจำแรงให้ให้เราดูสิเพราะอุปคุตบอกพญามารแทอพญามารก็เลยจำแรงตัวเลยฉะนี้ให้ทําเหมือนพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธเจ้าพอมารเขาจำแรงตัวได้ฮะพอจำแรงขึ้นมาพระอุปคุตเห็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นนั่งคุกเข่ากราบอกราบพระพุทธเจ้าพญามารว่าจุดจุดุดท่านอุปคุตกราบผมทําไม เผมเป็นพยามารเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วแต่ท่านมากราบผมทำไมพร ะ, พ, พ, ระพระอุปคุตบอกว่าเราไม่ได้กราบพยามารเราเห็นกราบนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยรูปจำลองอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเรากราบพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบท่านสักหน่อยเข้าใจไม่มานพยามารก็รู้ว่าเนี่ยพระอุปคุตเห็นรูปร่างพระพุทธเจ้าแล้วกันนีย ่กราบพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้การาบพยามารถึงจกกะกราบพยามารก็เถิดแต่ล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสนอนยังไงเพราะท่านได้เป็นพระหันได้สําเร็จเป็นพระหันก็เพราะว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเ ร, เราลึกถึงพ ร, พระคุณของท่านพระธรรมคําสอนของท่าน นี้ก็เหมือนกันน่ยที่เราสร้างพระพุทธปฏิมาขึ้นมาก็เพื่อจำลองพระพุทธรูปให้พวกเราได้กราบได้ไวาจากนั้นเราก็ระลึกถึงคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนตั้ง8ปดหมพันพระธรรมมขันให้เราเป็นคนดีเมื่อเราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้วเรายอมรับว่า คำประธรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ถ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วนั้นมีแต่ความผาสุขมีแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมไปอยู่สถานที่ไหนอยู่ณสถานที่ใดวางตัวถูกเ อ, อคนที่มีศีลธรรมแล้วคนที่มีศีลห้าแล้วจะไ ม, ม่ไม่ติดคุกไม่ติดตรางเป็นที่ยกย่องเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายแต่คน ไม่มีศีลไม่มีธรรมออกนอกลูกนอกทางลนะ้นั่นแหละ อ, อยู่ในโลกนะ่ก็เป็นที่ตำหนิของคนเมื่อตายไปแล้วก็ น, นรกเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นกอให้พวกเราคณนะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนะให้เข้าใจให้ศึกษามองอะไรให้มองกว้างอย่าไปมองมุมเดียวให้วางเมื่อมองดูแล้วก็วางตัวถูกแล้วท่านเราจะวางตัวยังไงจะจะถูกต้อง เหมาะสมเป็นธรรมเหลวเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสถานะไหนเราอยู่ในสถานะลูกเราก็ต้องวางตัวอย่างลูกในเมื่อเราเป็นอยู่ในสถานะพ่อแม่เราก็ต้องวางตัวในสถานะพ่อแม่อย่างหลวงพ่อนในสถานะการวางตัวในสถานที่เป็นครบูบาอาจารย์ของลูกศิษย์ของพระของเนนหลวงพ่อก็ต้องวางตัวอย่าง Hearing. ครูบอาอาจารย์ สมัยหลวงพ่อเป็นพระน้อยพระนมเป็นสมเณรหลวงพ่อก็วางตัวอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อมาจุดนี้แล้วเราจะวางตัวเหมือนเด็กเป็นเนรน้อยก็ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้รู้จักสถานะคือการวางตัวถ้าพวกเราก้าวไกลกันถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยทาตัวเหมือนเด็กคนทั้งหลายก็ตาหนิทำอะไรเหมือนเด็กหลวงพ่ออินเนี่ย ตว่าผัวหลวงพ่อทําตัวอย่างนี้แล้วก็บอกวิธีการวิธีกรรมแนะนําสั่งสอนอย่างไรในเมื่อเราอยู่ในสถานะนี้เนี่แหละให้พวกเรารู้จักสถานะของตนเองในเมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องรู้จักสถานะของลูกเมื่อพ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อเราเป็นพ่อแม่เราก็วางตัวในสถานะพ่อแม่ ให้ดูแลลูกแนะนำบอกกล่าวลูกในพ่อแม่เป็นบุพภะการีเราควรจะแสดงความกาตัญญูกตเวทีตายอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนนะคณะตถาญาติโยมต่างคนก็ต่างมีพ่อมีแม่อย่างอีกไม่นานเนี่ยวันที่ย2บนี่นะวันที่ย2สบเป็นวันมาฆบูชาอีกจากนี้ไปสิบห้าวัน หลวงพ่อก็คงจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนียกับผู้มีอุปการะคุณของวัดแต่หลวงพ่อเออจะประมวลมาทั้งพ่อทั้งแม่โยมพ่อยโยมแม่ของหลวงพ่อนะั่นแหละวงศากนายาดด้วย เ, เสร็จแล้วก็จะหลวงพ่อจะได้ทําบุญเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเออเ อ, อบอกเราลูกหลานเนะี่จะมาร่วมทําบุญในวันนั้นก็ได้เพราะพวกเราต่างคนก็ต่างมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายาย แล้วก็หลวงพ่อจะไดมนพระ ส, สงฆ์มาแล้วก็ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลเป็นจิตเรักษณะปีหนึ่งน่าจะมีครั้งหนึ่งผู้มีพระคุณของวัดที่ได้มาสร้างวัดปา่านาคำน้อยแห่งนี้ตั้งแต่ปีสองสามจนถึงปีห้าเก้าผู้ที่โรงโรอยตามอายุสังขารตายไปก็มีมากต่อมากเพราะเกิดแก่เจ็บตายแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าดวงวิ ญ, ญญาณท่านเหล่านั้น ไปสิงสถิตยุทถินใดที่ใดพวกเราที่อยู่เบื้องหลังปีหนึ่งก็น่ า, า จ, จะมีทําการทาบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลแล้วว่าการทาบุญรวมญาติอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ต่อผู้มีอุปการะคุณทั้งส่วนตัวของเราด้วยทั้งต่อวัดวาสาสนาของเราด้วยนี่แหละอันนี้ก็คือการทำบุญคือว่าจะทําบุญวันที่ยี่สิบสองเนอะก็นัดสัตยาญาติโยมลูกหลาน ผู้ดได้เย็นแล้วก็เออเอามาร่วมกันทำทำไม่ติดธุระนะถ้า ม, มีตุกติดธุระก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนเราก็งานของคุณแม่ชีแก้วเราก็มาทําบุญกันที่นี่อแต่ตอนนี้เราย้ายไปที่นู่นแล้วเราก็เลยมาตั้งต้นใหม่อีกวันปีหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่งเพราะว่าวัดของเราเเนี่ยอทั้งผู้ทั้้งผูมีทุนทรัพย์ด้วย ทั้งแสดงออกถึง ก, การก่อสร้างด้วยกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาที่มาช่วยวัดวาศาสนาพวกเราได้รับความสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้กรเพราะ่ทั้งทุนทรัพย์ทั้งแนวความคิดทั้งกําลังกายแต่ท่านเหล่านั้นได้โรยโรยตามอายุสังขารนี่แหละตายไปแล้วไม่รู้จะไปที่ไหน พวกเราอยู่เบื้องหลังกบีการทาบุญทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ขอให้ท่านทั้งหลายท่านเหล่านั้นจงมีความสุขถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปถ้ า, าว่ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์อันนี้คือจุดประสงค์ของเรานี่แหละอันนี้คือการแสดงออกซึ่งความกระตันยูกระตวเวทิตาต่อผู้มีอุปกราระคุณอย่างในหลักของพุทธศาสนา พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํำรงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมระดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรทิดาทุกคนจะต้องได้คิดนะเมื่อพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ และก็ทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอระดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัตท่านบอกกล่าวเอาไว้ถึงท่านจะล่วงลับพ่อแม่จะล่วงลับดับขันไปแต่ร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยเราได้มาจากใคร ได้มาจากพ่อจากแม่ในเมื่อเราได้มาจากพ่อจากแม่เราควรจะแสดงความกตัญญูอตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไรในเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่กเ อ, อทํากิจธุระของท่านดับรงวงศ์งสกุลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว เ, เราก็ควรทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านปีหนึ่งครั้งหนึ่งแลว้วล่ะลำเลิกไปทําบุญณสถานที่ใด ่พอเราตักบาตรเสร็จแล้วเราทําบุญช่วยเหลือชุมชนสังคมอะไรก็ได้เมื่อทําเสร็จแล้วเอออันนี้เป็นบุญเออบุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้ทําในคราวนี้ครั้งนี้ขอให้เป็นเครื่องเกรื่อกคุนหนุนดวงวิญญาณพ่อแม่ขอให้พ่ อ, พอแม่ตกทุกข์แต่ยากก็ขอให้ผลจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอขอให้มีความสุขยิ่งๆ่งขึ้นไปอันนี้เป็นหน้าที่ของบททิดาทุกคนจะต้องได้คิดนะ เพราะว่าแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที่ตาตบผู้มีอุปการะคุณอย่างวันนี้ก็เหมือนกันน่วันไหว้เจ้านะเป็นวันไหว้เจ้าก็คือระลึกถึงเออผู้มีพระคุณเหมือนกันเป็นวันระลึกถึงเป็นวันไหว้เจ้าเป็นวันระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราคนนั้นอย่าง เมืองไทยของเราอย่างที่วันข้าวประดับดินบุญข้าวฉลากอย่างนี้แหละแต่ทางเมืองเหนือเขาอกปลอยหลวงอย่างนี้หรือวันวันเทกระจาดอย่างนี้ไม่หลายๆอย่างแต่สุบแล้วก็คือเป็นการสร้างบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุ ป, ปกราระคุณสำหรับพวกเรานั่นแหละคือเป็นหลักนะวันนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่ง ที่พวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนามาทาบุญมาทาบุญเป็นหวันไหวของพี่น้องประชาชนพวกเชื้อสายจีนไม่เชื้อสายจีนก็จะการประกอบคุณงามความดีเมื่อไร่ก็เป็นคุณงามความดีเมื่อนั้นแหละถ้าทำความชั่วเมื่อใดก็เมื่อนั้นแหละถือชั่วนะแต่เมื่อเราทำความดีเมื่อไรกนะเป็นดีตลอดคิดดีทาดีพูดดีเมื่อไรไมิตรดี แต่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเมื่อไหรจะเป็นวันจีนวันพระวันตุ๊ดจีนวันพระหรือวันไหนก็ชั่วทั้งนั้นแหละเพราะ อ, อะไรเพรเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนะถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีเมื่อไรก็เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในพวกเราแต่ถึงยังไงก็ตามนะถ้าเราไม่มีวันไม่มีวันจะเลยเราก็เตลดเิดเปิดเปิงไปเลยไม่สําคัญอีกแล้วทเออ ขนาดที่ว่าวันสําคัญขนาดนี้เรายังทะเลทถลายยังไปหาตีก็อปยังไปหากินเหล้าอีกต่างหากขนาดเป็นวันสําคัญขนาดไม่ไ ม, ไม่ไม่สำคัญจะขนาดไหนอกีกเพราะฉะนั้นคนโบ ร, ราณเขาจึงว่าให้ถือว่าจักวันหนึ่งนะถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งในหลักของพุทธศาสนาถือว่าวันมาฆาบูชาวิสาขาบูชา ่วันออกพรรษาวันเข้าพรรษาออกพรรษาหรือวันพระเนี่ยถือว่าเป็นวันสําคัญเพราะนั้นควรพวกเราถึงวันสําคัญเช่นนั้นก็ควรจะสํานึ ก, ส ำ, นกสำเนีย๊ยบประกอบคุณงามความดีเอาบุญกุศล <c oughs> เข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะในหลักของพุทธศาสนานท่านบอกว่าตายเราไม่สูญน่ยจุดนี้แหละสําคัญนะถ้าตายแล้วสูญไม่เป็นไรตาตายแล้วก็จบไปแต่ในโพธิ พวกเราเนะี่ยตายแล้วไม่สูญจุดนี้แนะพวกเราควรจะคิดแต่พวกเราที่ยังไม่เคยได้ฟังเสียงหลวงพ่อเอ๊ะหลวงพ่อเอาอะไรมาพูดวะหลวงพ่อมั่นใจขนาดไหนตายแล้วตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อมั่นใจมั่นใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าวะตายแล้วไม่สูญท่านไปพิสูตน์ดูแล้วที่โคลนต้นโพนะ่ะปุเพนิวา สารุจติยานรละลึกชาติโถนหลังได้ น, ะนี่แหละจตูปปาตาญาณการจุตดดิการเกิดการตายของสรรพสัตว์ถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญอย่างที่หลว ง, งพ่อได้พูดให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะั่นเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจใจกับกายรูปธรรมและนามธรรมเนะ่ย เราจะรู้ได้ด้วยตวนเองเพราะนั้นในพวกเราพิสูจน์นะให้ปฏิบัติจะรู้ได้นะโ อ, อ้ลวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยา ว, วาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทธนาให้พ่อนรับพอ่อ น, นนานะีหน้าอุธิดส่วนกุศ่ด้วยเนะ่า